พน้อมน้อมต่อคุณพระรัตนตรยัยโอกาสหลงพักรมเพื่อนสัทธมิ ก, ท, กทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูกระถินเนาะเป็นช่วงที่เป็นงานบุญใหญ่นะของอชาวพุทธทั่วประเทศเลย ซึ่งในในช่วงนี้นะถ้าตามวัดต่างๆจะคึกคักมากนะเพราะมีผู้ที่เดินทางไปทอดกระถินตามวัดต่างๆเนี่ยมากมายโดยเฉพาะ เ, าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นอาทิตย์แรกนะบางทีถ้าในช่วงนี้ถ้าใครในช่วงคืนวันศุกร์หรือคืนวันเสราร์ถ้าใครไปตามปั๊มน้ำมันใหญ่ๆ จะพบรถทัวร์มากมายนะรถทัวร์มากมายอซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพบ้างหรือจังหวัดต่างๆบ้างเดินทางมาทางภาคอีสานไปภาคเหนืออไปภาคใต้โดยพัดทางภาคอีสานนี่จะเยอะมากนะตามปมาั้มน้ำมันนี่รถทัวร์เยอะมากเลยคึกคักมากในช่วงวันศุกร์วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี่แหละเพรเป็นเรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลเท่ก็ ท่อกระถิ่นกันนะคราวนี้การท่อกระถิ่นเนี่ยทำไมคนถึงอยากมาทำบุญกันเยอะมากนะเพราะว่าในในสมัยพุทธกาลนี้นะก็สมัยพุทธกาลนี้ก็เริ่มที่ในสมัยนั้นนะก็มีพระพิสุชาวเมืองปาทยรัต์เนี่ยสามสิบรูปนะตั้งใจเดินทางมาเฝ้าพทธเจ้าที่พระเชตวัน ครนี้ตอนก่อนที่จะมาถึงพระเชตวันนี่ก็ปรากฏว่าถึงช่วงเข้าพรรษาพอดีนะก็เลยต้องพักนะอยู่ที่เมืองสาเกตนะครานีนะ้พักอยู่จนกระทั่งออกพรรษาแล้วก็ตั้งใจนะที่จะมาเฝ้าพระเจ้าก็รีบเดินทางมานะครานีนะ้ช่วงที่เดินทางมาน้นก็ ก็ยังไม่ไม่หมดฝนดีนะก็พื้นดินก็ยังมีความขุขะนะแล้วก็เดินทางด้วยความยากลำบากจีวรของพระหลายๆองค์ก็ขาดวินไปนะซึ่งการใช้จีวรของพระในยุคนั้นนะจะเป็นจีวรที่หาได้ยากมากเป็นของที่มีค่ามากขนาดเลยว่าก็มีบัญญัติพระวินัยว่าต้องดูแลรักษาจีวรให้ดีนะ ตอนกลางคืนก็ต้องเอาจีวรไว้กับตัวอย่ า, อาไว้ห่างจากตัวอ่ถ้าไว้ห่างจากตัวาจะโดนโจรลักขโมยไปได้เพราะว่าผ้าในสมัยก่อนเป็นของมีค่าหายากมากเพราะฉะนั้นการใช้ผ้าจีวรแต่ละผืนนี่จึงใช้กันนานๆหลายๆปีจนเก่าแล้วก็ขาดไปแลนนี้ก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชวตวันก็ ปรากฏว่าหลายองค์ก็มีจีวรขาดแล้วก็เก่าพอดีนางวิสาขามหาอุบาสิกาซึ่งอยู่ที่เมืองนั้นอยู่แล้วเป็นประจำก็ได้เห็นจีวรที่ขาดไปของพระก็เลยมีความคิดว่าอยากจะถวายจีวรใหม่ให้กับพระเนี่ยจะทำได้ไหมเพราะในสมัยนั้นก็คงไม่ค่อยมีใครทำเช่นนั้นกันเพราะส่วนมากพระก็จะไปสแสวงหากันเอาเอง เนื่องจากผ้าเนี่ยเป็นของหายากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครที่จะคิดว่าจะได้ถวายผ้ากันเพราะเราจะได้ดูในพระวินัยว่าผ้าอผ้าก็จะไปหาผ้าตามที่เขาทิ้งเอาไว้นะตามในป่าช้าบ้างนะหรืออตามถังขยะบ้างก็เรียกว่าเป็นผ้าที่เ้าทิ้งไว้แล้วนะเขาเรียกว่าเป็นผ้าบังสกุลนะผ้าบังสกุลก็คือผ้าที่เราเก็บมาจากที่เขาทิ้งไว้นั่นแหละ คำว่าบางสกุลกับ็เราก็ไปหยิบมาจากในป่าทำนองนั้นก็คือเขาทิ้งไว้ในป่าตามป่าชา้าต่างๆเพราะนั้น <c oughs> เมื่อผ้ามาได้ผ้ามาก็จะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่ได้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบปัจจุบันนี้นะได้มาก็เป็นเศษเผ้าทำนองนั้นแล้วก็ามาเย็บติดติดกันเย็บเย็บ <c oughs> เย็บติดตดกัน ีการเย็บก็อาจจะไม่ประณีตบ้างก็เย็บแล้วดูแล้วไม่สวยงามอตอนหลังพระนนก็เลยเสนอ ว, ว่าควรที่จะเย็บเป็นรูปแบบคันนาคันนาของชาวมคตในสมัยนั้นพระเจ้าก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเพราะถ้ามีผ้าแล้วก็ให้ตัดเย็บเป็นชิ้นๆินมาต่อกันเหมือนกับรูปคันนา นะครัน้นี้ถ้าผ้าชิ้นเล็กมากก็จะเย็บเป็นหลายๆขันนะบางทีก็มีเป็นเก้าขันก็เป็นผ้าชิ้นเล็กก็มาต่อกันนะเป็นเก้าขันหรือจริงๆก็มีมากกว่าเก้าขันก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นพื้นใหญ่นะเนาะกาจัดเลือแค่เจ็ดนะขันหรือห้าขันนะตามขนาดของผ้านะีนะ่แหละแต่ในยุคนี้ถ้ า, ถ, าถ้าเป็นผ้าที่มาตรฐานที่ผ้านิยมใช้กันก็จะเป็นเก้าขันนะนะเป็นเก้าขันนะ ท่า น, นี้นะก็เนื่องจากว่าการหาผ้าในยากแล้วก็พระก็ต้องมาตัดเย็บเองอเป็นความลําบากอยู่ในระดับหนึ่งนันาะงวิสาขาก็เลยอขออนุญาตพระพุทธเจ้าในการถวายผ้าให้กับพระนะพระพุทธเจ้าก็เลยทรงอนุญาตในการอนะที่จะให้นะมีการอนะถวายผ้าเกิดขึ้นนะ คราวนี้การถวายผ้าในยุคนั้นนะก็เป็นการถวายโดยการที่เรียกว่ามีการเอาผ้าเนี่ยไปขึงตามแบบนะก็เรียกว่าเป็นสะดึงนะแล้วก็เมื่อเข้าสะดึงแล้วก็ทําให้ตัดได้ง่ายขึ้นก็คือเป็นแบบแบบสะดึงก็คือเป็นแบบเป็นแบบที่เขาทำเอาไว้นั่นเองแล้วก็เมื่อเข้าสะดึงแล้วก็ตัดได้ง่ายขึ้นก็เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมได้ง่ายขึ้นเมื่อตัดแล้วก็มาเย็บนทําให้ การตัดเย็บได้ง่ายคลึงเรียกว่าเป็นสะดึงเพราะนั้นคํว่ากรถิ่นก็คือสะดึงนั่นเองนะคราวนี้เมื่อได้มีการพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุ ญ, ญาตแล้วก็เลยกําหนดเวลาว่าต้องถวายในเวลาไหนบ้างนะก็คือถวายหลังจากที่ออกพรรษาแล้วนะเป็นเวลาหนึ่งเดือนเท่านั้นเองนะเพราะว่าถวายมากกว่านั้นก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าทําให้อ่านะ ูถวายมีความลำบากมากขึ้นนะเพราะนั้นเมื่ อ, อเมื่อได้อนุญาตแล้วก็เลยกำหนดเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นจะได้สะดวกกับพระด้วยเพราะหลังจากพระรับกรถินแล้วก็ได้ไปเที่ยวทุดงต่อไม่ต้องมาคอยรับกรถินต่อไปญาติโยมก็มีความสะดวกในการถวายแค่ครั้งเดียวก็เลยกำหนดเป็นวันแรมหนึ่งแรมหนึ่งคเดือนสิบเอ็ด คือหลังวันออกพรรษาจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือวันแผ่นหิบสองซึ่งตรงกับวันลอยกระทงคราวนี้อนาเมื่อกําหนดวันเช่นนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นกาลทานนะั่นก็คือจะถวายนอกจากที่กําหนดไว้หนึ่งเดือนนี้ไม่ไดนะ้ถ้านอกจากหนึ่งเดือนไปก็คือไม่ใช่กถินนะจะถวายเป็นอะไรก็ได้เป็นผ้า ป, ป่าเป็นสังฆทานก็ได้แต่ว่าไม่ใช่กถิน นะเพราะกระถินนี่ก็กำหนดด้วยการเวลาก็คือหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคราวนีนะ้การถวายก็จะถวายต่อองค์เดีวหนึ่งก็ไม่ได้อีกนะอาจศรัทธาองค์นีนะ้เราจะถวายองค์นั้นองค์งเดียวก็ไม่ไดนะ้นั้นก็ถือว่าไม่ไม่เป็นการทอดกระถินนะการทอดกระถินก็หมายความว่าถวายนะให้แก่กองกลางสงฆ์ก็คือถวายเป็นสังฆทานนั่นเองเนะนะพราะเราจะยิน อ่าคําที่พระท่านอุปโลกทินว่าอ่าผ้านี้เป็นผ้าที่บริสุทธิ์ประดุดจะลอยมาจา ก, กาอากาศตกลงมายังท่ามกลางสงก็คือตกเป็นผ้าที่บริสุทธิ์นะประดุดจะลอยจา ก, กาอากาศตกลงมายังท่ามกลางสงก็คือตกมาทามกลางสงนั่นเองไม่ได้มาถวายแก่พระพิสูรรูปใดรูปหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนที่ <c oughs> อ่าเจ้าภาพยกมาถวายก็คือ จริงๆแล้วพระไม่ต้องไปรับเลยเพียงเอามาถวายให้ตกลงท่ามกลางสงฆ์เท่านั้ น, นะก็คือวางไว้เฉยๆโดยที่พระไม่ต้องรับแล้วพระก็จะอุบัติโล ก, กันว่าเออ <c oughs> จะเหมาะสมกับพระองค์ใดพระองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน <c oughs> ก็จะได้รับผ้านั้นไป น, น, นี่ก็จะไดถูกต้องตามพระวินัยนะ <c oughs> ทรานี้พพาก็จะมาอาดูว่าผู้ใดเหมาะสมแล้วก็จะอ่าทําพิธีอุปัติโล ก, กันนะ อุโบสถก็สององก็ได้หรือสี่องก็ได้นะของของวัดเราก็ใช้สององอย่างที่เราได้เห็นมาแล้วนะว่าผ่านี้นะเจ้าผ้าเป็นใคราแล้วก็นำมาถวายอยู่ในทางกลางสงฆ์นี้จะเห็นสมควรแก่ผู้ใดอีกองหนึ่งก็เสนอว่าเหมาะสมที่จะได้ถวายให้แก่องค์นี้นะผู้ใดไม่เห็นด้วย ก็ให้พึงคัดค้านขึ้นครันะ้นี้ถ้าใครจะคัดค้านในตอนนั้นก็ได้นะแต่เมื่อไม่มีใครคัดค้านกนะ็เมื่อไม่มีใครคัดค้านแล้วถ้าบุไดเห็นด้วยก็ให้สาธุการร่วมกันนะพระก็สาธุร่วมกันนะก็คือนะพระกระถิ่นนั้นก็จะได้กับพระที่ได้ระบุเอาไว้ในขณะนั้นนะอันนี้ก็เป็นการทําตามพิธีกรรมนะที่ว่านะเมื่อถวายเช่นนี้แล้วเนี่ย อเจ้าภาพหรือผู้ที่มาร่วมถวายก็ได้บุญเยอะเพราะว่าเป็นการถวายเป็นสังฆทานนะซึ่งการถวายสังฆทานนี้ก็เรียกว่าได้บุญเยอะมากเพราะไม่ได้จําเพาะเจาะจงแก่พระพิสุรูปใดรูปหนึ่งนะพูดถึงการถวายสังฆทานก็คืออก็เคยมีที่ได้ทรงตัดไว้ว่าเมื่อถวายแก่อย่างเช่นว่าถวายกับอผู้ที่มีศีลก็จะ มีนสิสงมากกว่าถวายแก่ผู้ไม่มีศีลถวายแก่พระโสดาบันก็ถวายได้บุญมากกว่าอ่าผู้ที่ไม่ได้เป็นพระโสดาบันหรือพระนาคามีก็ได้มากกว่าอจนกระทั่งถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บุญมากกว่าบางพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถวายเป็นสังฆทานนี่แหละได้บุญมากกว่าถวายกับพระพุทธเจ้าเองสอิกเนาะเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือสงทั่วไปนะเพราะว่าถ้าเกิดอ คิดว่าถวายกับพระอริยะเจ้าได้บุญมากกว่าถวายกับพระที่ไม่ใช่อริยะเจ้าแล้วอีกหน่อยพระทั่วไปก็จะลำบากก็จะเลือกถวายแต่พระอริยะเจ้านะก็จะไม่เป็นการสืบพระาศาสนาที่มันคงอาจจะทำให้พระาศาสนาอลรมสลายไปได้ง่ายๆนะเพราะเป็นการเลือกถวายแต่เฉพาะองค์เฉพาะบุคคลเพราะนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าการถวายเป็นสังฆทานก็คือถวายไม่จาเพาะเจาะจงนะ อันนี้ได้บุญมากที่สุดนะแต่การถวายสังฆทานนี้นะจะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยนะเพราะฉะนั้นการถวายทานทุกๆครั้งนะไม่ว่าจะเป็นการถวายสังฆทานถวายพระป่าหรือถวายกรถินจะต้องตั้งน้ำโมก่อนทุกๆครั้งนะเพราะการตั้งน้โมก็หมายความว่านั่นแหละในพิธีนั้นก็มีพระพุะทธเจ้าเป็นประธานเมื่อมีพระพุะทธเจ้าเป็นประธานแล้วงานนั้นก็จะได้บุญมากเนาะ ก็เลยบอกพวกเราไว้้วยนะเวลาถ้าไปถึงงานต่างๆเนี่ยต้องอย่าลืมเตือนอโคศกหรือพิธีกร น, นะว่าก่อนจะถวายสังฆทานถวายพระป่าหรือถวายกระถิน่นก่อนที่จะกล่าวคำถวายเช่นนั้นต้องตั้งนโมก่อนทุกครั้งเพราะว่ามีพระเจ้าเป็นาทานน ะ, ะเพราะนั้นกระถินเนี่ยก็เรียกว่าครบด้วยสามประการก็คือเป็นการทานถูกจากัดด้วยการเวลา เป็นมหาสังฆทานนะเพราะว่าไม่จําเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะแล้วก็เป็นพุทธานุญาตของพระเจ้านะอันนี้ก็เลยได้มีอา น, นิสงส์เยอะนะอา น, นิสงส์เยอะแล้วก็เป็นการถวายหลังจากที่พระได้อจำพรรษาแล้วนะมีการปฏิบัติธรรมมาทั้งมรนษาจิตใจของท่านก็ยังมีความบริสุทธิ์ผองใสนะในการปฏิบัติธรรมมาทั้งมันษาเนี่ยก็มีอา น, นิสงส์มากขึ้นนะ เพระนั้ชาวพุทธก็เลยตั้งใจที่จะไหว้กระถิ่นกันมากมายนะแล้วก็เป็นการขวนขวายน ะ, อ, ะอย่างอย่างถ้าเป็นวัดที่เคร่งคัดมากก็จะถวายเป็นผ้าขาวกันนะเป็นเป็นผ้าผ้าขาวหลังนั้นท่านก็จะเอามาตัดนะมาตัดเป็นผ้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะจะเป็นจีวรก็ได้เป็นสังฆาติก็ได้ เป็นสบงก็ได้ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเมื่อตัดแล้วนะก็มาเย็บนะเมื่อเย็บเสร็จแล้วก็นำไปย้อมนาไปย้อมเสร็จแล้วก็นำไปาตากแดดนะหลังจากที่ผ้าแห้งแล้วตอนเย็นท่านก็จะมาการาญกระถินกันนะก็คือการกระถินนโดยผ้านั้น่นะก็เป็นอันสาเร็จเป็นผ้ากระถิน่นะเป็นพิธีกระถินครบถ้วนในวันนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่า อ่าเป็นเป็นผ้าที่ท่านเค่งพัดมากๆในในยุคนี้ก็ยังมีนะมีมีการทำเช่นนี้กันอยู่นะแต่ถ้าถวายเป็นผ้าที่สาเร็จรูปก็ใช้ได้เหมือนกันนะก็จะมีจุนกระถิ่นอีกอันนี้ก็ยิ่งต้องลำบากมากนะมีการปันป่นอ่าปั่นฝะ้ายอ่าแล้วก็ทำเป็นเส้นได้นะแล้วก็นำมากรอนะนมากรอแล้วก็นำมาทอ เป็นผืนผ้าเมื่อเป็นผืนผ้าแล้วก็ค่อยมาตัดมาเย็บมาย้อม่เป็นงานใหญ่มากะแต่ถ้าตามวิธีกรรมเนี่ยมันวันเนี่ยทำไม่สําเร็จหรอเพราะฉะนั้นบางทีก็เหมือนกับต้องใช้วิธีการที่เรียกว่าเป็นการสมมุติขึ้นมาก่อนจนเป็นผ้าแล้วเนี่ยมันถึงจะ ง, ง่ายขึ้นนะถ้ามาปั่นฝ้ายมาอะไรไม่ทันแน่นอนวันวันสองวันนี้ก็ไม่ทันนะเพราะฉะนั้นในยุคนี้จุนกระถิ่นจึงทําได้ยากมาก แต่นั้นก็ถือว่าเมียในสงฆ์มากเพราะว่ามันจะต้องมีเจตนาสูงมีความพยายามสูงในการทําให้สําเร็จเป็นผ้าคราวนี้จริงๆแล้วอกระถินนี่จุดสําคัญนี่ก็เป็นเฉพาะผ้าเท่านั้นเองนะส่วนบาทหรืออย่างอื่นทั้งหลายทั้งหมดหรือแม้แต่ปัจจัยอันนั้นก็เป็นแค่บริวารกรถินทั้งหมดเลยส่วนตัวก กระถินจริงๆก็คือผ้าเท่านั้นนะก็คือไม่มีอะไรแม้แต่อย่างเดียวถวายผ้าอย่างเดียวก็เป็นกระถินได้แต่ถ้าถวายอะไรเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีผ้าอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นกระถินเนาะคราวนี้ในในบางครั้งเนี่ยหรือในยุคสมัยนี้ก็ไปให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจัยเนี่ยมากกว่านะคราวนี้เมื่อไปให้ ให้ให้ความสําคัญกับเรื่องปัจจัยมากแล้วเนี่ยทําให้บางคนไม่ไ ม, ไม่ไม่กล้ารับเป็นเจ้าภาพกรถินก็มีนะบางแห่งที่คนที่ไม่มีฐานะมากก็เลยไม่กล้าไปรับเป็นเจ้าภาพกรถินเพราะในยุคบางบางยุคนี่ก็จะมีกรถินตกค้างเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยเมื่อสักประมาณสามสิบปีที่แล้วก็มีกรถินตกค้างเยอะนะในภัยสารเนี่ยไม่ค่อยมีใครรับเป็นเจ้าภาพกรถินกันเพราะว่าเป็นห่วงว่าปัจจัยจะน้อย นะสมัยก่อนสักสามสิบปนะีตอนนั้นมาก็เคยช่วยวัดอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดป่าเหมือนกันนะครนะั้งนะี้พอถึงวันอตอนทอดกระถิ่นก็มีคนรู้จักคนหนึ่งก็รับเป็นเจ้าภาพกรถิ่นนะเขาก็รวบรวมปัจจัยได้สักแสนกว่าแล้วละก็ถือว่าเป็นเงินที่เยอะมากในสมัยนั้นแสนกว่านี่ถือว่าเยอะมากในประมาณสามสามสิบปีมาแล้ว ครั้นี้พอถึงวันทอดก็มีมีคนในวัดพูดว่าอวันนี้เงินกระถินคงจะได้สามแสนนะพอพูดงี้จิตเข ก, ก็เลยตกเลยโอ้เงินแสนกว่านี้ก็เป็นเงินที่เยอะแล้วก็ตั้งใจมาแต่มีคนในวัดพูดให้คนหนได้ยินว่าวันนี้แน่จะได้สักสามแสนนี่จิตก็เลยตกเลยทับด้วยจิตเศร้ามองเลยนะตอดีด้วยจิตเศร้ามองเพราอต่อมา ก, ก็เลยไม่เข้าวัดนั้นต่อไปเลยก็เลยเลิกไป แล้วก็ไม่อยากเป็นเจ้าภาพกระถินวัดไหนด้วยอันเนี้ยก็เพราะว่าถ้าดูตามรูปการแล้วก็ไม่น่าจะไปพูดเช่นนั้นนะไปพูดเช่นนั้นถึงผู้ได้เจตนาอะไรก็แล้วแต่หรือไม่เจตนาก็ไม่ควรจะพูดนะเพราะทําให้คนในจิตตกได้แล้วบางทีก็นะพอประกาศย่ อ, อ ก, กระถินปีนี้ไปไปพูดว่าปีที่แล้วได้ออก็ย่อกระถินเท่านั้นซึ่งมากกว่าปีนี้ก็ไม่ดีนะนี่ก็ไม่ควรพูดอีกนะเพราะจะพ า, าบางคนก็ทําให้จิตเขาตก เพราะนั้นจริงๆแล้วไม่ควรจะพูดเรื่องปัจจัยอะไรทั้งสิ้นเลยก็พูดไปด่าธรรมดานี่แหละไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะมากมายหรือพูดเรื่องอ น, นิสงส์ถินธรรมดานะหรือให้คนมาทําบุญกันต่อยอดกันก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเนี่ยตรงนี้บางทีอ่าคือเป็นคนเป็นโค้ชกนี่ก็ต้องเข้าใจในการพูดในการที่จะทําให้อ่ารักษาน้ําใจของเจ้าภาพแล้วก็ทําให้เกิด ปิติยินดีในการทําบุญในครั้งนั้นห น, นึ่งเขาจ ะ, จะได้บุญมากด้วยแม้ว่าจะทําน้อยก็ได้บุญมากนะแต่ถ้าเขาทํามากแต่ว่าจิตเขาตกเขาก็ได้บุญน้อยอ น, นี่เป็นเรื่องสําคัญเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําบุญอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไรก็แล้วแท่อกรถิน่นท่อป่าต้องมีสาระการก็คือก่อนจะทําต้องมีความตั้งใจนะก็คือมีความตั้งใจว่าเราจะทําบุญ นะแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจแล้วเหมือนก็โดนบังคับอะไรต่างๆคือไม่ตั้งใจอันนี้ก็จะไม่ค่อยได้บุญอาการต่อมาในขณะทำต้องมีความเต็มใจนะเต็มใจในการทาบุญในครั้งนั้นนะถ้าไม่เต็มใจก็จะได้บุญน้อยนะหลังจากทำแล้วก็มีความดีใจคือมีความปิติใจมีความสมนัตในใจนะไม่เสียด้ปัจจัยนะตรงนี้ก็ได้บุญนะ เต็มที่เลยนะถ้าใครสามอย่างนี้นะตั้งใจเต็มใจแล้วก็อดีใจนะไม่เสียใจไม่เสียดายนะตรงนี้ได้บุญเยอะนะได้บุญเยอะมากนะอ่านะเนี่ยถึงว่าถ้าทําครบสามอย่างนะจิตเรามีความอ่านะปิติยินดีในผลบุญที่เราทําแล้วเนี่ยมันมีในส่งมากนะในการที่ว่าเราตั้งใจทําบุญอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามีความสุขนะ มันมีอา น, นิสงส์มากมายนะบางทีเราอ่าแม้แต่ให้ขอทานต่างๆเราให้ด้วยความสุขอ่ก็อันนี้เราได้บุญเยอะนะแต่ถ้าให้ด้วยความลาคาญโอนมาขออีกแล้วอกําลังทานอาหารอยู่มาขอแล้วให้ไปด้วยแก้ความลาคาญไปหรือด้วยความหงุดหงิดอันนี้เราก็อาจจะได้บุญน้อยนะประการการที่เราทําอะไรแล้วแต่ต้องมีอ่าเจตนาที่ที่ดีนะบางทีเราไม่ทํา ถ้าเรามีเจรนาแล้วเราไม่ทําเราก็ได้บุญแล้วนะบางที่เราตั้งใจอยากจะไปทําบุญกับเขาเนี่ยแต่ว่เพือมันติดธุระจริงๆแต่เราตั้งใจเราก็ได้บุญแล้วนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอยู่ที่ความตั้งใจนั่นแหละถ้าเราตั้งใจแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะบุญสําเร็จด้วยความตั้งใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทําแต่เราตั้งใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะหรือบางคนก็ ปัจจัยมีน้อยนะเราก็ไม่อาจจะรับเป็นเจ้าภาพได้เราก็ไปช่วยในกิจการอย่างอื่นไปช่วยทุกๆอย่างก็ได้นะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ช่วยด้วยแรงงานช่วยได้ที่จะทําให้งานลุล่วงไปได้ด้วยดีไปนุโมทนาบุญอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะบุญมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเขาเรียกว่าเวี ย, ยวัจมัยก็คือควรควานในกิจการที่ชอบ นะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ในงานนั้นนะไปช่วยล้างจานอ่าช่วยเก็บขยะก็ได้บุญทั้งนั้นนะเพราะอันนี้ก็เรียกว่าเราทำด้วยความเต็มใจของเรานะแต่ถ้าเราอ่าอ่าไปอิจฉาใครก็แล้วแต่ในงานบุญนั้นเออเขาอย่างเงี้พอจิตเราอิจฉาปุ๊บนี่เขาเราียกว่าเป็นอาบุรโศลจิตเลยนะจิตเราก็จะตกนะหรืออยากก็ อยากจะให้เขาทําเยอะๆไปพูดอะไรทั้งก็อย่างหนึง่งเกิดถ้าเขาจิตตกนี่เราก็ได้กรรมไม่ดีนะนะทำให้จิตเขาตกนะเพราะฉะนั้นกรรมทั้งหลายอยู่ตัวเราเนี่ยเป็นเหตุนะเราต้องระวังจิตใจของเราด้วยให้ดนะีในเวลาทําบุญอะไรก็แล้วแต่นะบางทีเนี่ยการเดินทางเช่นเป็นโดยรถรถทัวร์ไปทําบุญตามตาม่างจังหวัดไกลๆเนี่ยมันจะต้องเจออารมณ์หลายๆอย่างนะเขาว่าให้รักษาจิตใจเอาไว้ ให้อใจอย่าให้มีความเศร้าหมองออย่าไปนึกในทางไม่ดีออย่าไปลาคาญออย่าไปโทษคนนูน้นโทษคนนี้นะที่จะทําทให้เราไม่สะดวกไม่สบายต่างๆเพราอจิตเศร้าหมองปุ๊บเราไปเท่าถิน่นเราก็ได้บุญน้อยนะเพราะคนที่ฉลาดจะต้องรักษาใจให้เป็นกุศลอยู่เสมออให้มีสติมีความรู้สึกตัวนะให้ใจผ่องใสนะ แล้วก็ไม่เป็นนึกคิดเล็กๆน้อยๆนะสมมติว่าเกิดเราเป็นเจ้าภาพนี่ไปเจอคนพูดที่ไม่ดีปุ๊บจิตเราต้องกลับมาเป็นปกติเลยนะอย่าไปคิดอะไรเยอะอ่าต้องปล่อยความเศร้าหมองไปทันทันทีอ่าอย่าไปติดในคําพูดของใครรักษาใจให้ผ่องใสยอยู่เสมอไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ก็ช่างเขาเนีให้มีสติในตรงนั้นให้จิตผ่องใสเพราะเราทําปุ๊บเราได้บุญเต็มที่เลยนะ ก็เราจะไปห้ามใครพูดอะไรไม่ได้เลยนะไม่มีใครที่จะทําอะไรตามที่เราต้องการทุกอย่างวาเวลาไปเจองานบุญนี่จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ของเรานี่ยก็ถือว่ามีเป็นงานที่เรียบร้อยนะไม่ค่อยจะบุญบวายมากแต่งานบุญนะบางแห่งนี่วุ่นวายมากนะทําให้บางทีเจ้าภาพเนี่ยจิตตกได้ง่ายๆเลยออันนี้ทําให้เขาก็จะได้บุญน้อยลงนะเพราะนั้นนะไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพหรือไม่เจ้าภาพไปร่วมบุญแล้วเนี่ยต้องรักษาจิตใจ อให้มีความเบิก บ, บานผ่องใสย อ, ยอยู่เสมออตรงเนี้เราก็จะได้บุญเต็มที่เองเนาะเพราะฉะนั้นการทําบุญนี่จึงเป็นอบุญกิยจวัตถุในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าเป็นการให้ทานนะคือตราบใดที่เรายังไม่ถึงพระนิพพานนี่นะเรายังจะต้องมีการให้ทานอยู่เสมออตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องปัจจัยหล่อเลี้ยงให้เราไม่ว่าจะไปเกิดในภพชาติไหนอซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเวียนว่ายตายเกิดเท่าไหร่นะ ตรงนี้ก็ได้เป็นเหตุปัจจัยที่หนุนนําให้เรามีมีความสะดวกสบายอในภพชาติต่างๆจะได้มีปัจจัยในการทําบุญต่อไปนานาค้อตการนะคราวนี้การทําบุญทําทานนี่ก็เป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งนะแต่ว่ามันก็ยังไม่พ้นทุกนะยังไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเขาเรียกว่าเป็นภัยในวัฏะสงสารอันยิ่งใหญ่นะสังสารวัฏนะี่ อันนี้ถ้าเราทําบุญมาลักก็ยังไปติดในผลบุญนั้นว่าเราจะไปเกิดในสวรรค์บ้างเกิดเป็นคนร่ารวยบ้างที่จะไปรับผลในตรงนั้นอันนี้ก็เป็นการสร้างภพสร้างชาติต่อไปอีกนะซึ่งการสร้างภพสร้างชาติไม่ว่าเราจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือเป็นคนร่ํารวยมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเป็นความทุกข์ในการเกิดแก่เจ็บตายในการเวียนว่ายในวัฏสงสารนั้นนะเพราะนั้นบุญที่สูงที่สุดก็คือ บุญจากการที่ทำใจของเรานั่นเองให้ถึงซึ่งความผ่องใสบริสุทธิ์ก็คือหมดจากกิเลสตัณหาในใจของเราะละจากความโลภ ค, ความโกรธความหลงละจากวิ ช, ชาตัณหาทั้งปวงตรงนี้ยิ่งเราละได้เท่าไหร่พบชาติเราก็ยิ่งสั้นลงไปเท่านั้นนะถ้าเราละได้หมดซึ่งเราก็ถึงซึ่งความพ้นทุกถึงซึ่งพระนิพพานในชาตินี้ นะอันนี้ก็เป็นบุญที่สูงที่สุดในชีวิตของเราแล้วนะยิ่งแบบไปถ่ายกระถิ่น ป, ป่าที่ไหนนะเป็นหมื่นๆกองนะถ้าเราแค่นะทําให้กิเลสในใจระหมดไปนี่แหละเป็นบุญที่สูงที่สุดแล้วเพราะว่าเราก็จะได้พ้นจากภัยในวัดตรงสารนี้นะนะเราก็จะได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ซึ่งถึงซึ่งพระนิพพานเนะี่ย น, นี้เป็นบุญที่สูงที่สุดเลยนะที่เป็นนะเป้าหมายในชีวิตของพุทธศาสนาที่แท้จริงนะนะโดยท้ายสุดนี้ก็ขอให้ทุกท่าน มีความเจริญในศีลสติสมาธิปัญญาแล้วถึงซึ่งความพุทธได้โดยเลยพันทุกท่านเทิน